ซัพย์ที่อยู่ในที่แจ้ง97ที่ชื่อว่าทรัพย์ที่อยู่ในที่แจ้งได้แก่ทรัพย์ที่แขวนไว้ในที่แจ้งเช่นทรัพย์ที่คล้องไว้บนเตียงหรือตังห้อยไว้บนราวจีวรสายระเดียงที่เดิ่ยฝาที่เครื่องแขวนรูปงาช้างหรือที่ต้นไม้โดยที่สุดแม้บนเชิงรองบาทภิกษุมีทายจิตคิดจะลักทรัพย์ที่อยู่ในที่แจ้ง หาเพื่อนไปด้วยหรือไปแต่ผู้เดียวต้องอบัตทุกกฎจับต้องต้องอบัตทุกกฎทำให้ไหวต้องอบัตทุละใจทำให้เคลื่อนที่ต้องอบัดปาราชิก